ท่านฟังค่ะรายการสันนิส น, นานดิฉันสันนีนนาพงค์นะคะได้อ่านพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ให้ท่านได้ฟังกันมาจนถึงตอนที่สำคัญยิ่งคือจะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วค่ะซึ่งในวันนั้นก็ได้ทำการบรรพชาอุปสมบทให้กับสุพัทธะ หลังจากที่ได้ฟังธรรมจากพระองค์เป็นสาวกองค์สุดท้ายในบรรดาสาวกที่ท่านเห็นพระพุทธองค์นะคะหลังจากนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสแก่พระอานน์ค่ะว่าอานน์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าทำวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อาห น, น์พวกเธออยากคิดดังนั้นอานนทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทำวินัยนั้น จักเป็นองค์ศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการที่เราล่วงลับไปแล้วอานนเวลานี้ผู้พิสูุทั่วไปเรียกกันด้วยคำว่าอาวุโสแก่กันและกันโดยการที่เราล่วงลับไปแล้วไม่ควรเรียกร้องกันดังนั้นผู้แก่กว่าจงเรียกผู้อ่อนโดยชื่อหรือโดยชื่อสกุลหรือโดยคำว่าอาวุโสผู้อ่อนกว่าจงร้องเรียกผู้แก่กว่าว่าพันเตหรืออายัสมา อา n น n โดยการที่เราล่วงลับไปแล้วสงฆ์จงเลิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้ถ้าต้องการอานนโดยการที่เราล่วงลับไปแล้วสงฆ์จงลงพรหมทันแกภิกษุฉันนะคือพิกษุฉันนะจงกล่าวอะไรได้ตามพอใจภิกษุทั้งหลายไม่พึงว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนเธอภิกษุทั้งหลายก็ถ้ามีภิษุแม้รูปหนึ่ง มีความเคลือบแคลงเห็นแย้งในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมัจในข้อปฏิบัติก็ดีจงถามเสียอย่าเป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังว่าเราอยู่เฉพาะหน้าพระศ า, าสดาแล้วไม่กล้าถามในที่เฉพาะหน้าดังนี้อานนท์เธอกล่าวด้วยความเลื่อมใสและอย่างถึงที่จริงในเรื่องนี้ความรู้สึกของตถาคตก็มีแล้วว่า ความเคลือบแคลงเห็นแย้งในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคในข้อปฏิบัติของภิกษุแม้รูปเดียวในภิกษุสงฆ์นี้ไม่มีเลยอานนท์เพราะว่าในบรรดาภิกษุห0 0รูปเหล่านี้รูปใดที่ต่ำที่สุดกว่าเข้าทั้งปวงรูปนั้นก็ยังเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาที่ยงต่อ น, นิพพานมีการตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราจะเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้นี่เป็นวาจาครั้งสุดท้ายของตถาคตผู้รวบรวมนะคะได้หมายเหตุมาว่าหลังจากนั้นก็ทรงนิ่งเงียบเข้าปฐมฌาน ทุติยาชาญตาติยาชาญจะตุตถาชาญอากาสานัญจาตนาชาญวิญญาณัญญาตนาชาญอากินจัญญยายตนาชาญเนวะสัญญาณาสัญญายตนาชาญสัญญาเวทยิตตนิโรธแล้วย้อนลงมาตามลำดับจนถึงปฐมชาญแล้วย้อนขึ้นอีกโดยลำดับจนถึงจะตุตถาชาญแล้วเสด็จปรินิ พ, พานในเมื่อออกจาก จตุตถาฌานนั้นแล้วและนี่ก็เป็นพุทธประวัติจากพระโอษในส่วนของก่อนที่จะเสด็จดับขันทพระปรินิพานนิดเดียวนะคะจนกระทั่งถึงเสด็จดับขันทพระปรินิพานเมื่อเสด็จดับขันธพระปรินิพานแล้วก็เกิดแผ่นดินไว้อันใหญ่หลวงดังที่เคยเกิดกับเหตุการณ์สาคัญสําคัญใน พระชนชีพของพระพุทธองค์ค่ะนะคะและนี่ก็จะกล่าวเรียนกับท่านผู้ฟังว่าในส่วนของเรื่องราวจากพระโอษฐ์ในหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ก็ยังไม่ได้หมดเสีทีเดียวนะคะเพราะว่าบางเรื่องนั้นก็ยังมีการรวบรวมต่อจากที่ได้เล่าถึงการตรัสเล่าถึงการปรินิพานแล้ว ซึ่งจะนำออกมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อไปในรายการนี้ค่ะอย่าลืมนะคะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเข้าถึงคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์หนังสือพุทธวัตรฉบับก้าวย่างอย่างพุทธะติดต่อกันมาได้ที่ 02-269-0060 และ 02-269-006 สรายการของเราสัปดาห์หนึ่งมี5วันนะคะ จะหยุดพักเสาร์อาทิตย์กันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันอีกทีหนึ่งในวันจันทร์หน้าเป็นต้นไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ